ถ้าเป็นเวทนาที่เป็นอารูปประพบล่ะรูปประพบกับอารูปประพบก็เป็นดินแดนแห่งภวะราคานุสใสถ้าอย่างขันห้าที่เป็นปิยรูปสาตรูปก Inform ็เป็นดินแดนแห่งมานานุสัยเป็นดินแดนแห่งกาลมราคานุสัยเป็นดินแดนแห่งภาวะราคานุสัยแล้วก็ขันห้าเป็นดินแดนแห่งพิฐานุสัยวิจิกิจชานุสัยและอวิชานุสัย เพราะฉะนั้นในสิ่งเหล่านี้ยถึงวิปัสนาจะเกิดก็ยังอยู่ในดินแดนแห่งกิเลสยังไม่เรียกว่าที่ที่ปลอดภัยอย่างอย่างแท้จริงเมื่อหลีกออกไปถึงอาสังกัตาาธาตุมีอาสังกัตาาธาตุเป็นอารมณ์จึงเป็นความปลอดภัยอย่างอย่างแท้จริง น, นะอันถ้าในาในภูมิเนี้จะรู้ว่าถ้ากล่าวถึงรูปเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณเนี่ยนะเท่ากับกล่าวกิเลสทุกชนิดเรียบร้อยแล้ว เพราะกิเลส ท, ทุกชนิดมันไม่ได้เกิดพ้นขันห้าเนี่ยนะมันยังอยู่ในดินแดนแห่งขันห้าถ้าพูดขันห้าปั๊บเนี่ยนะเท่ากับประกาศอะตัวที่ไปรู้ขันห้าคือกิเลสแล้วถ้าพูดถึงกิเลสปับ๊บกล่าวถึงแดนโครจรแห่งกิเลสแล้วด้วยเนี่ยนะเพราะเมื่อหลีกออกได้อย่างนี้ด้วยการแทงตลอดอริยศาส์อย่างนี้จึงจึงหลีกพ้นแดนแห่งกิเลสเรียกว่าหลุดพ้นโดยส่วนสอง ห ล, ลุดพ้นโดยอารมณ์กับหลุดพ้นโดยอวัตตคือความเป็นตายแห่งของทุกข์ทั้งปวงเนี่ยนะก็เรื่องนี้คนที่จะเข้าใจได้ดีก็คือพระอริยะเราจะไปคิดว่าเราโอ้โหพระลุกปลุกปรงฟังเอาไว้เจริญพุทธานุสติกับทำมานุสติสังคานุสติไปแต่ถ้าใครที่สามารถเข้าใจได้ไหมจะหาของมาฝาก ไม่จะเรียกว่าเอามาบูชาเดี๋ยวเขาอาย <c oughs> นี น, นะอ็ <c oughs> ถ้าใครตรัสรู้นะโหนัว่าเป็นผู้ที่มีปัญญามากแล้วก็ถามว่าจะตรัสรู้นะดูว่าทุกเนี่ยมันน่าเบื่อหน่ายจริงหรือยังในอุปาทานพันท่าทุกอย่างเนี่ยเรียกว่าสาสวะธรรมก็ไม่ผิดเนี่ย น, นะเพราะว่าสาสวะเนี่ยแปลว่าเป็นอารมณ์ของอาสวะ ขันห้าทุกอย่างเนี่ยนะเป็นอุปาทานขันห้าทุกอุปาทานขันห้าเป็นอารมณ์ของอาสะวะเรียกว่าสาสะวะโตเนี่ยนะในในโตทั้งหลายแหละนะ่เนี่ยสาสะวะโตนันะวิปัสสนาญาณถึงโคตรภูก็คือหมหากรุสโณโคตรภูเนี่ยก็ยังถือว่าเป็นอารมณ์ของอาสะวะอยู่เพราะอาสะวะเนี่ยโดยทําไหลไปจนถึงโคตรภูโดยโดยทํานะโดยพบไหลไปจนถึงภาวะกระพบเนี่ยนะ ก็เรียกว่าไหลไปจนถึงเนวะสัญญานาสัญญายตนะเพราะสิ่งเหล่านี้ยังเป็นดินแดนแห่งอาสวะอยู่ยังเป็นอรนารมณะปัจจัยแห่งอาสวะอยู่เพราะฉะนั้นคนที่จะหลุดต้องการพ้นจากอาสวะโดยประการทั้งงก้องมีสิ่งที่ไม่ใช่ดินแดนของอาสวะะคิผ่านกตรพูนี้จะเป็นอารมณ์ของอาสวะในขณะไหนหรือว่าของใครครับเพราะของบุคคล น, นั้นก็ ก็ต้องอริยะอย่างเดียวเลยเกิดผ้าอริยะเนี่ยในะถามว่าผ้าอริยะมีมานะไหมมีมาะนะนะพระโสดาบันมีมานะในความเป็นพระโสดาบันของท่านถามว่าเอาอาศัยอะไรมาเป็นที่ตั้งแห่งมานะก็พวกโคตรภูทั้งหลา ย, นยแนและต่เพราะว่ามานะเนี่ยมันไม่เอาโลกุตระมาเป็นมาเป็นอารมณ์ของมานะหรอกอเพราะแปลว่ากิเลสจะไม่มีนิพพานเป็นอารมณ์ ไม่มีมัคเป็นอารมณ์ไม่มีโลกุตรธรธรมเป็นอารมณ์เพราะฉะนั้นอยากจะเป็นที่ตั้งแห่งมานะได้ก็คือเนี่ยโคตรภูเนีเป็นที่ตั้งแห่งมานานุสัยได้ถือว่าเป็นปิยรูปสาตรูปชั้นยอดเลยนะอ่าโคตรภูเนี่ยนะเป็นปิยรูปสาตรูปที่เรียกว่าโหเป็นอาหารอย่างดีของมานะมานะชอบมากเนีเออต่อไปว่าอธิบายวิเคราะห์ศัพว่ามัค ก, ก่อนนะในหน้าเจ็สิบเอดว่าธรรมชาติใดย่อมขวนขวาย ย่อมเพ่งเล็งพระนิพพานหรือพระโยคีบุคคลผู้ต้องการพระนิพพานย่อมขวนขวายคือย่อมแสวงหาหรือว่าธรรมชาติใดยังกิเลสทั้งหลายให้ตายเป็นไปอยู่ฉะนั้นธรรมชาตินั้นชื่อว่ามรกายานในมร์ชื่อว่ามรคยานตัอีกครั้งหนึ่งนะว่าธรรมชาติของมร์เนี่ยเพ่งเล็งพระนิพพานไอ้คาว่าเพ่งเลงนี้เพ่งด้วยอํานาจอารามณปัจจัยเนี่ยไงคือคือ นิพพานเนี่ยเป็นอารมณปัจจัยแก่มรรคเพราะฉะนั้นมรรคนี่ให้ความสําคัญกับพระนิพพานเนี่ยเป็นเป็นอย่างมากท่านิพานถือเป็นอารมณาที่ปฏิปัจจัยของมรรคเนี่ยนะเป็นอารมณูปานิสยปัจจัยของอริยมรรคเนี่ยนะเพราะฉะนั้นอริยมรรคนี่ให้ความสําคัญมากกับพระนิพพานโลกุตระจิตเนี่ยนะที่เทียบกับฌานจิตในความมั่นคงเนี่ยเทียบกับฌานจิต แล้วมีนิพพานเป็นอารมณ์คือมัรคยานกับผลยานเนี่ยนะมัรคยานผลยานนี่มีนิพพานเป็นอารมณ์เพราะนั้นเป็นธรรมชาติที่ขวนขวายเพ่งแล็งพระนิพพานอย่างเดียวนะอันนี้คือธรรมชาติของมรรคอีกอย่างหนึ่งบุคคลผู้ต้องการพระนิพพานย่อมขวนขวายย่อมสแสวงหาเพราะนั้นจึงชื่อว่ามรรคใครต้องการทำที่สุดแห่งทุกต้องสแสวงหามรรคนะถ้าไม่สแสวงหามรรคนี้ทำที่สุดแห่งทุก์ไม่ได้ เพราะฉะนั้นก็บอกว่าแค่เบื่อๆไม่อยากเกิดเนี่ยนะแล้วก็อยู่เฉยๆไม่เจริญมรรคนี่ก็ไม่พอเพราะว่าใครที่บางคนก็บอกว่าเขาไม่อยากเกิดอีกแล้วเนี่ยนะไม่เอาอีกแล้วไม่เกิดอีกแล้วพอแ ล, วแล้วดูทีวีต่อ้าอยังนี้ก็บรรลุมรรคนิพพานไม่ได้หรอก น, นะอาจจะไม่ได้เกิดเป็นมนุษย์อีกแล้วอันนี้อาจจะเชื่ออยู่นะ ดังนั้นผู้ต้องการที่จะสงบประงับดับวัตถุทุกโดยประการทั้งปวงก็ต้องขวนขวายในอริยมรรคเนี่ยนะขวนขวายในมรรคมีองค์แปดหรือว่าธรรมชาติใดยังกิเลสทั้งหลายให้ตายเป็นไปอยู่ดังนั้นธรรมชาตินั้นชื่อว่ามรรคอันในขณะที่มรรคเกิดมีนิพพานเป็นอารมณ์ขณะนั้นฆ่ากิเลสจริงๆริงนะหลุดพ้นจากดินแดนแห่งกิเลสเนี่ยนะไอ้คําว่าฆ่ากิเลสเนี่ยมันมันเป็นสัมนวนเป็นโวหาร เนี่ยะซึ่งมันของเราเนี่ยคําว่าค่าเมื่อไหร่มันก็ต้องแบบนะมีคนค่ามีสิ่งที่ถูกค่ามันตาต่อตาฟ e ันต่อฟัน er> เนี่ยนะเราเนื้อแต่ภาพแบบนั้นอ่ะซึ่งไม่ใช่แบบนั้นหรอกอันในขณะที่มีพระนิพพานเป็นอารมณ์นั้นอ่ะจึงเป็นขณะที่ที่ถอนจากดินแดนแห่งกิเลสโดยประการทั้งปวงเนี่ยนะถ้าเราจําง่ายๆนะว่าจำวิเคราะห์ศัพท์ว่ามักอ่ะนะคือ ธรรมชาติที่ขวนขวายหรือธรรมชาติที่เพ่งเล็งขวนขวายในพระนิพพานธ ร, รรมชาตินั้นชื่อว่ามัคหรือว่าผู้ต้องการพระนิพพานต้องสแสวงหามัคหรือว่าธรรมชาติที่ฆ่ากิเลสธรรมชาตินั้นแหละชื่อว่ามัคเนี่ยทีนี้มัคคิยานท่านทําเป็นเอกวั จ, จะนะเอกว จ, จะนะคือเป็นเอกพจ น, น, inder, น์โดยชาติสั์เนี่ยนะเป็นชาติโดยชาติสั์แล้วก็ ในที่นี้ก็มีผู้รู้วยากร์หลายท่านก็ไปสอบถามเอากมัคคยานั้นย่อมเกิดขึ้นกระทพาพระนิพพานให้เป็นอารมณ์ต่อจากโคตรภูยานอัดอิเลตอันจะพึงฆ่าได้เองโดยไม่มีส่วนเหลือเผาผลาญห่วงสมุดคือทุกข์ในสังสารวัฏอันมีเบื้องต้นและที่สุดอันบุคคลไปตามรู้อยู่ไม่ได้แล้วให้เหือดแห้งไปติประตูใบทั้งปวงเสียกระทอริยทรัพย์เจ็ดให้ปรากฏอยู่ต่อหน้า ละมิฉามักประกอบด้วยองค์แปดทำภัยเวรทั้งกวงให้สงบนำตนสู่ความเป็นบุตรผู้เกิดจากอกแห่งพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและได้อา น, นิสองส์อื่นๆอีกหลายร้อยเท่านะจริงหลายร้อยชนิดอ่ะนะถกล่าวไปแล้วนะย้อนมาดูอีกว่ามักคญาเนี่ยทำพระนิพพานให้เป็นอารมณ์เนี่ยนะ่านถือว่าพระนิพพานนี่เป็นสุขดังยิ่งใช่ไนิพพานังกระมังสุขขัง ธรรมชาติที่สุขอย่างยิ่งธรรมชาติที่สงบอย่างยิ่งธรรมชาติที่ประนีตอย่างยิ่งเนี่ยนะธรรมชาติที่ไม่ตายอันการรับรู้พระนิพพานอันนี้ก็ต่อจากโคตรภูยาณอันอนิสง์ของมัรคยานเนี่ยนะก็คือมีพระนิพพานเป็นอารมณ์ตัดกิเลสอันจะพึงฆ่าโดยไม่มีส่วนเหลืออันกิเลสเนี่ยจะไม่ไม่เกิดอีกต่อไปเนี่ยนะเหมือนกับอย่างเขามีอยู่ที่เปรียบเทียบอุปมาเหมือนกับว่ามีเถา เทาบวบขมเถาบวขมที่บุคคลถอนรากโดยประการทั้งปวงเลยนะก็ไม่จะไม่มีการเจริญงอกงามอีกต่อไปใช่ไหมอายามักก็เหมือนกันที่เกิดขึ้นเนี่ยประหารก็เท่ากับประหารเยื่อใยา ย, ยางเหนียวทั้งหมดของของต้นไม้ที่มีพิษเนี่ยให้เหือดแห้งตายเถาผานสมุดคือทุกในวตาเนี่ยนะเถาผานสมุดคือทุกในวตะให้ให้เหือดแห้งตายเ น, น, นี่ยนะน อ, นะะอั น, นะ น, น เราทั้งหลายอาจจะไม่ค่อยเห็นภัยนัก น, นะถ้าเทียบกับ น, นางปตาจาราเนี่ยนะนางปตาจารานี่จะเห็นเลยว่าโอ้โหภัยของอุปาทานขันห้าหรืออุปาทานขันห้าเนี่ยมีภัยจริงๆภัยของอุปาทานขันห้าหาประมาณไม่ได้เราถามดูนะถ้าขันไหนมั่งไม่เป็นที่ตั้งแห่งความเสียใจของเราอะนะมีไหมและมีขันไหนมั่งไม่ต้องบริหารไม่มีเพราะฉะนั้นผู้ที่ แทงกลอดพระนิพานเนี่ยนะถือว่าเป็นผู้ที่ทำทะเลคือสังสารวัตรให้เหือดแห้งไปถ้าถ้าโครงแสดงว่าขันห้าเนี่ยนะหรือว่าตาเนี่ยเหมือนกับทะเลเนี่ยนะมันมันใหญ่เกินไปไหมไม่ใหญ่หรอกพราะแค่น้ำตาอย่างเดียวก็เยอะกว่าทะเลแล้วเนี่ยนะถ้าเลือดอีกล่ะโครงกระดูกทุกกับทุกกับทุกกับมากองกันน่จาจะขนาดไหนใช่ไหมเพราะฉะนั้นถ้า ถ้าอริยมรรคเกิดขึ้นอักกิเลสเป็นสมุเทเฉทาประหารจึงทำลายห่วงแห่งวัตรทุกข์ได้โดยโดยสิ้นเชิงเนี่ยนะท่านไอสังสารทุกข์ทะเลทุกขในเถระคถาเทรีคถาเป็นต้นเนี่ยนะล้าแห่งเนี่ยท่านกล่าวถึงถึงโทษภัยของการอยู่ในในขันห่าว่าเหมือนตกลงไปในทะเลทุกอย่างนั้นเนี่ยนะอันนี้ท่านบอกว่าท่านขึ้นบกคืออันนี้ผ่านเรียบร้อยแล้วท่านพ้นจากทะเล คือห่วงแห่งวัตถุแล้วเนี่ยนะแล้วก็ที่สำคัญมากที่สุดก็คือปิดประตูอาบายได้เรียบร้อยแล้วนะโดยเฉพาะอาริยมรรคเนี่ยเป็นตัวที่บอกตรงๆว่าปิดประตูอาบายได้แล้วมีอยู่ครั้งหนึ่งพระเจ้ามหานามะเนี่ยนะก็ไปตรัส ก, กับพระผู้มีพระภาคว่าเอ่อเขานี่ยังมีกิเลสอยู่ยนะราคะทำโทสะรมในอารมณ์ทั้งหลาย พระเจ้ามหานามะยังห่วงว่าเอ้นี่ถ้าตายตอนนั้นเนี่ยอบายหวังได้แน่นี่นะพระเจ้านะมหานามะเนี่ค่อนข้างจะรู้สึกไม่สบายใจเนี่ยนะพระพุทธเจ้าก็ตรัสว่าเพราะพระไม่ต้องห่วงแล้วมหามพิษเนี่ยได้ได้อริยมรรคแล้วนะตอนนั้นพระเจ้ามหานามะอย่างน้อยที่สุดเป็นพระโสดาบันเนี่ยนะอย่างน้อยที่สุดตอนนั้นท่านเป็นพระโสดาบันอยู่เพราะฉะนั้นพระองค์ก็บอกว่าไม่ต้องห่วงอีกแล้วเนี่ยนะ ยังไงพระองค์ก็กาละอย่างนั้นเนี่ยของพระเจ้ามหานามะไม่มีแน่นอน